สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่485คดีพระเยซูตอนที่สองซึ่งเป็นตอนสุดท้ายพี่น้องครับในวันนี้เราจะดูพระวจนะที่เหลืออีกสามตอนด้วยกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าภาคกิติคุณนั้นก็เป็นภาคกิติคุณทั้งสี่เล่มและเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงคดีพระเยซูในพระธรรมยอห์นแต่วันนี้เราจะมาดูคดีพระเยซู ในภาคกิทติคุณพ้องก็คือมัทติวมโลกวัวมารโกลูกานะครับโปรดฟังข้ชนะของพระเจ้ามัตธิวยี่สิบเจ็ดข้อสิบเอ็ดถึงสิบสี่เมื่อพระเยซูทรงยืนต่อหน้าเจ้าเมืองเจ้าเมืองถามพระองค์ว่าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยูหรือพระเยซูตรัสกับท่านว่าก็ท่านว่าแล้วนี่แต่เมื่อพวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่ได้ฟ้องกล่าวโทษพระองค์พรงไม่ได้ตอบประการใดปิลาจึงกล่าวแก่พระองค์ว่า ซึ่งเขาได้กล่าวความปักปาท่านเป็นหลายประการนี้ท่านไม่ได้ยินหรือแต่พระองค์ก็ไม่ได้ตรัสตอบท่านสักคําเดียวเจ้าเมืองจึงอัศจรรย์ใจ ย, ยิ่งนักมารโกสิบห้าข้อสองถึงข้อห้าปีลาจึงถามพระองค์ว่าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยูหรือพรงคตรัสตอบท่านว่าท่านว่าแล้วนี่ฝ่ายพวกโปริตใตยายที่ฟ้องกล่าวโทษพระองค์เป็นหลายประการแต่พระองค์ไม่ตรัสตอบประการใดปีลาจึงถามพระองค์ว่าท่านไม่ตอบอะไรหรือดูเถิด เขากล่าวความปักปวามท่านหลายประการทีเดียวแต่พระเยซูไม่ได้ตัดตอบประการใดอีกปีลาจึงอัศจรรย์ใจลูกาบทที่23ข้อ3ถึงข้อ5ปีลาจึงถามพระองค์ว่าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือพระองค์ตัดตอบท่านว่าก็ท่านว่ า, า, วาแล้วนี่ปีลาจึงว่าแก่พวกปุริหิตใหญ่กับประชาชนว่าเราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดเขาต้องลายยิ่งกล่าวแข็งแรงว่าคนนี้ยุ ย, ย, ยงพลเมืองให้วุ่นวาย และสั่งสอนทั่วตลอดอยูเดียตั้งแต่กาเร ล, ลีจนถึงที่นี่พี่น้องครับพระกิตติคุณพ้องก็คือมัตติวมารโกลูกาได้เขียนไว้เพื่อที่จะให้เห็นถึงแต่ละมุมมองของตนเองแต่ว่ามีความพ้องกันครับเข้ากันได้อย่างดีซึ่งแตกต่างจากในพระธรรมยอญนนะครับพระธรรมยอญก็จะบันทึกค่อนข้างละเอียดครับแต่สิ่งที่เราเห็นจากตรงนี้ก็คือว่า หลักการของการตัดสินความครับหลักการของการพิพากษาอย่าที่จะตัดสินก่อนสอบสวนครับพี่น้องครับหลายครั้งในชีวิตของเราครับเราก็อาจจะเป็นเหมือนกับเจ้าเมืองหรือพวกที่ใส่ร้ายป้ายสีพระเยซูการสอบสวนนั้นเป็นกระบวนการหนึ่งครับที่เปิดโอกาสหยิบยืน่นหัวใจของความรักความยุติธรรม ไร้ซึ่งอคติแต่ปรารถนาที่จะให้ความจริงเท่าที่มนพอจะทําได้ถูกเปิดออกที่บรรลังของผู้พากษาพระเจ้าเป็นผู้ภาษาสูงสุดครับพระเจ้ามีสิทธิอำนาจสิทธขาดในการตัดสินในทันทีแต่พระเจ้าก็ยังเปิดโอกาสให้เรารายงานชีวิตบนโลกนี้นะครับเราจะต้องสมัยรายงานกับพระองค์ก่อนที่จะถูกตัดสินตัดสินในที่นี้สําหรับผู้ที่เชื่อนั่นก็คือ ตัดสินเพื่อที่จะได้รับบําเหน็จครับแต่สําหรับผู้ที่ไม่เชื่อตัดสินนี้ก็คือตัดสินเพื่อที่จะรับโทษชั่วนิรันดร์หลายครั้งเรายืนอยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจและตัดสินผู้อื่นด้วยทั้งในแง่บทบาทความจําเป็นหน้าที่นะครับสิ่งที่เราควรพิจารณาอย่างทุวนทีก็คือต้องเสาะหาข้อมูลครับเสาะหาข้อมูลจากทุกฝ่ายก่อนที่จะตัดสินอะไรลงไปและ เมื่อไรก็ตามนะครับที่ตัดสินแล้วพี่น้องครับเรากำลังทำหน้าที่ของพระเจ้าแท้จริงพระเจ้าไม่ให้สิทธิการตัดสินแกมนุษย์คนใดเลยแต่ในกรณีที่หากว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้นาผู้ขครองบ้านเมืองการมีกฎระเบียบย่อมทำให้มีการตัดสินบนมาตรฐานของกฎระเบียบมาตรฐานของสังคมหรือที่เรเรียกว่าบรรทัดฐาน การเปิดหรือปิดหยิบยื่นโอกาสให้ใครก็ตามย่อมสะท้อนหรือต้องสะท้อนถึงพระลักษณะของพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้ดาบในมือนะครับด้วยการปิดปากผู้ชอบทําตามใจของตัวเองพึงระลึอกอยู่เสมอว่าเราต้องยืนอยู่ในจุดนะครับที่จะต้องตัดสินคนก็อันตรายแล้วครับหากทําด้วยความไม่ละมั่นระวังก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นอีกทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น พี่น้องครับเราต่างรู้ครับว่าเราต้องไม่ตัดสินคนอื่นเพื่อระวังรักษาตัวเองที่จะไม่ผิดพลาดแล้วก็รวมถึงว่าอย่ายืมมือคนอื่นเพื่อที่จะตัดสินใครด้วยพูดง่ายว่าอย่าแมนทิฟเวเลตคนอื่นครับอย่าหลอกใช้คนอื่นพี่น้องครับถึงเวลาแล้วเราไม่สามารถที่จะซ่อนอะไรจากพระเจ้าได้เลยพระเจ้าทรงตรวจสอบและมองดูทรงเห็นทรงรู้ครับทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกเพราะฉะนั้น ต้องระวังครับประเด็นต่อไปก็คืออย่าให้โลหิตของผู้ที่ถูกกล่าวหาฟ้องผู้ที่อยู่ในบทบาทตำแหน่งตัดสินด้วยการปิดโอกาสการแก้ต่างหรือเราตัดสินด้วยใจอคติหรือเราอาจจะใช้เสียงข้างมากเสียงรอบข้างตัดสินนะครับหรือเราอาจจะใช้เหตุผลต่างๆนานาของขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆครับหรือด้วยคำตัดสินที่ตั้งไว้ก่อนการสอบสวน คือพูดง่ายว่ามีอะไรอยู่ในใจแล้วนะครับมีคําตัดสินอยู่ในใจแล้วหรือแม้กระทั่งเราตัดสินใจไปด้วยความกลัวครับของผู้ที่ตัดสินใจเองนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ครับคือเป็นสิ่งที่เกื่อนเหล่าครับพระเยซูชิ้นพระชนแท้จริงแล้วพระองค์ไม่สมควรเพราะว่าพระองค์ไม่มีบาปนะครับเห็นไหมครับว่าปีลาศยังบอกว่าเราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดแต่พวกธรรมจารย์พวกฟอริสีพวกปุโรหิต ได้บอกว่าคนนี้ยุยงพลเมืองให้วุ่นวายสั่งสอนทั่วแคว้นยูเดียนี่คือสิ่งที่เป็นข้อกล่าวหาเห็นไหมครับพระเยซูตัดตอบว่าครับพระเยซูตัดตอบว่าอาณาจักรของเรามิได้เป็นของโลกนี้ถ้าอาณาจักรของเรามาจากโลกนี้คนของเราก็จะต่อสู้ไม่ให้เราตกในเงื้อมือของพวกยิวแต่อาณาจักรของเรามิได้มาจากโลกนี้ เพราะฉะนั้นพระเยซูกำลังหมายถึงว่าอาณาจักรของพระองค์นั้นก็คือครฤหจักรครับซึ่งเป็นแผ่นดินของพระเจ้าที่มาตั้งอยู่ในโลกนี้ที่เราเรียกว่าแผ่นดินของพระเจ้าก็คือการครอบครองของพระเจ้าอยู่เหนือผู้คนของพระองค์ก่อนการครอบครองตรงนี้มีกฎเกณฑ์ก็คือมีพระเจ้าของพระเจ้าและปลกครองด้วยความรักและในขณะเดียวกันครับปกครองด้วยความยุติธรรมซึ่งไม่มีใครหรือไม่มีรัฐ รักนักรัฐศาสตร์คนไหนครับหรือไม่มีกษัตริย์องไหนที่สามารถปกครองด้วยความรักและด้วยความยุติธรรมสูงสุดได้จากความรักสูงสุดและความยุติธรรมสูงสุดนี้เองเป็นเหตุที่ทําให้พระเยซูจะต้องสิ้นพระชนบนไม้กางเขนครับเพื่อที่จะปกครองเพราะงัการปกครองด้วยความรักและการปกครองด้วยด้วยความยุติธรรมนั้นผู้ปกครองนั้นจะต้องเสียสละเสียสละชีวิตเสียสละความสุขส่วนตัวเสียสละทุกสิ่ง เพื่อที่จะให้เป็นที่เคารพยกย่องเพื่อที่จะมีบา ร, รมีเพื่อที่จะมีคุณสมบัติพอในการที่จะใช้ความยุดธรรมและใช้ความรักในเวลาเดียวกันถึง ค, ครับในพระธรรมยอห์นที่สิบปดข้อสามที่เ็ดปีลาตทูลถามพระองค์ว่า <c oughs> ถ้าเช่นนั้นท่านเป็นกษัตริย์หรือปีลาตตอบว่าไงครับท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์เพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลกเพื่อเราจะเป็นพยานถึงความจรงิงคนทั้งปวง ซึ่งอยู่ฝ่ายความจริงย่อมฟังเสียงของเรานั่นหมายความว่าผู้ที่รู้จักพระเยซูเท่านั้นครับถึงยอมฟังพระเยซูผู้ที่รู้จักพระเยซูว่าพระองค์เกิดมาทําไมเข้ามาในโลกนี้ทําไมนะครับถึงจะเชื่อฟังพระเยซูครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรู้จักความจริงและในที่สุดแล้วเราก็จะสามารถเรียนแบบพระเยซูในการตัดสินคนอื่น อย่างถูกต้องนะครับโดยที่ต้องระมัดระวังอาเมน